ก็รูมือข้าวตุ๋นแตกนะเขาเปลี่ยนแต่งข้าเองเลยเรามีหน้าที่ออยู่รู้ไปทำไมมีหน้าที่รู้ไปเรื่อยม่ทำเเพราะว่าจริงๆเราต้องการรู้ขาที่จริงที่ปฏิบัติธรรมแทบเป็นทบายพราะครูที่เจ้าสอนสำนักจิติีให้เราว่าการปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะธรรมชาติเป็นนี้นะทุกเป็นนี้สมหนัยไม่รอมากนอย่างนี้่สอนเราในสารสำนักิตีในเชิงปรยัตให้เรา พวเราต้องมีหน้าที่ในกาเรเนนสมัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะใส่วนที่ต้องทามีศีลมีวาจามีธรรมสาิวะเป็นตัวหนึทำให้จิตใจไม่ทะุอารมณต้องมาฝึกจิตเน้นสติฝึกตัวไปเรีรู้ความตั้งมันของใจใจแสบใจไม่ตั้งมัน่นรู้ทัใจกกลับตั้งม่มีสัมมาสมาธิอคุณ่นุดดเนเพเดียว้จิตอนอ ก, นอก สจิตมีปัญหาปัญญานไหลไปิมันก็คือจิตที่ไม่ตั้งมั่นขาดสมาธิที่พอเรามีสติปัญญาอุทันจิตที่มันมีปัญหาแหลกแปรออกไปอทันขาดปเองปัญหาดจินก็ตั้งเล่นสมาธิไม่เกิดสมาีิไม่ได้มาจากชานเกินเลยัพวกเราไม่ค่อยได้ชันถึงการต่างหนุนลงหนุนมาการปีติาก รูปดับหมดเลยเหลือแต่ความรู้สึกอย่งนี้ใช่ไหมไม่ได้ถึงจําเป็นถึงขนาดนั้นเรามีสติรู้ทันใจที่มันไม่ตั้งว่ามีปัญหามีสมองเลาส่งไปทางตาสงบนี้ใจใจสงตลอดส่งไปทํางานส่งไปทําการมสงจะเป็นคนกระปู่หรอกชักสงไปทํางานสงไปดูส่งไปตังสงไปคิดสงไปเ้่งสงไปต้นคว้าสงไปแสวงหาว่าจะดูอะไรดี มตพ ốc. พ ốc อ ม, ม, มองไปทำงานใช่ไหมคือมีปัญหาปั่นันก็ไปทำงานไปทําพภพก็คือธรรมะกรรมนั่นเองธรรมะภที่พระเจ้าชี้ิันทกรรมที่มีความพยาญาออกไปก็สอนไปทำงานไปตัง้งไปดูไปคิดไ ป, ไปเที่ยงไปเผลอๆไปหาเรารู้ทันสติปัญญารู้ทันภาพขาหลวงรู่มุ น, ม น, มนยาสเสกเกียวเนาะ ข, ขาดใจก็ตั้งมั่ใจตั้งมัม่นแค่เราเป็นกลาลงเราอยู่ในบ้านเรเห็นรถขายของอะไรไาผ่านมาก็เห็ น, นถามมาึงนะคนบ้าเดินมาก็เห็นทุกอย่ยวจะเห็นชัดๆเลยดูอยู่ตรงนี้เห็นชั ด, ช ด, ชดเล ย, เลยถ้าลงไปทุกเหลือคนบ้าเห็นคนบ้าเป็นชัดนะปวดแต่วัดเสียวปวจะต้องสู่ดูดูง่างๆมองู่างเห็นชัดเห็นความจริงวามันมาแล้วมันไ ไม่เกี่ยวอะไรกับาหรอกนักใจไปตนกามลำดับเป็นเกณฑนะเป็นเกณฑ์เปลีแปงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราสลังลงไปเจ้าเราสมอนนอกเลยจิดใจแอบไปทำงานกระจนลงไปดูงี้ดูดูเฉยๆดูแต่ี่กระจนปลี่ยงดูอยู่ดูดดางานสำรนวจลงข้มือรีสัน ต้องรู้ทุกอย่างที่ฉิดรู้แต่อย่าติดม่รู้นะอย่างที่ยินดีพบกลับไปไหนได้ดอยู่เพราะเรขารู้อะไรก็ลงไปติดตรงนั้นน่ะคือกรโจรงไม่ใส่ทำไมกระโจลงไม่ใส่ติดไม่ตั้งเงนไม่เป็นตัวของตัวเองเวลาจะดูกระเป๋าติดนิ่งๆอยู่ที่กระเป๋ทางเสียงนกติดนิ่งๆอยู่ที่นกิ้นตัวเองตลอด แต่มันจะคิดงว่าห้าไม่ได้นะเราจะเรียนความจริงว่ารูปนามกาใจนี้บังคับไม่ได้ไม่ใช่เรียนเพืจะบังคับให้ได้กลับทัศนคติซะเดี๋ยวเราไปคิดแล้วจะฝึกบังคับได้เราจะฝึกจนรู้ความจริงว่าบังคับไม่ได้ควาปล่อยวางเกิด่ยนแปลงการรความจริงนี่กบังคับไม่ได้ยังจํำนำมันเล่นบังคับ สำคัญก็คือทำงานทั้งนั้นเองทำงานก็คือพบหนึ่งหนึ่งพอมันมีพบทุกมันก็มีเราทู้ทางานแล้วปฏิบัติแล้วยังนี้ยังนี้ที่พบมันก็เกิดจากปัญหาปาร์ทานปัญหาโกรุปทานก็เป็นสภาวธรรมเดียวกันที่คือองค์ขององค์ธรรมั้นของกัญะาโกรุปทานนีความร่วม ความโอย่างเบาๆนี่ตัญหาลอย่างรุนแรงเขาไปคิดไปถ้าไปจับนีเนั่นเป็นอุปัจจัเป็นตัวโลภัที่รุนแรงแล้วก็โดดลงไปจับปัะเขาไปทำาเขาไปทากรรมนคือพบพบเป็นเป็นกรรมาพบพบมีสองพบเลยกรรมพบกับปัจจิพพบปัิพบอย่างข้ามชาตเป็นบัเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสุนตารักษ์ เวลาเมือปทิบัติดูเหตุกรรมมันก็เป็น่าที่จิตแอบไปทากรรมทำกรรมดีบางกรรมลายบ้างทำไมจิตกระโดดไปทากรรมมันไหลไปมันส่งไปทาไมมันไหลไปมัส่งไปถ้าเรา่รู้ไม่ทันอรรวิชากั้นอย่างไรเราคิดว่าทํามะอยู่โน้นเราไม่รู้ว่าตรงโน้นมันปวดทุกเราจับไปคิดว่าธรรมะอยู่ตรงนี้นมันยิ่งดั่งุกอยู่กับมันธวิชาทำให้เราไม่รู้ว่าธรรมีนั้นทุก เราพึง่งจะโจนเข้าไปนี่ตัวปฏิปทสมุปบาทางล้วลึกซึ้งนะแต่เรามาดูของจริงไม่ลึกซึ้งไม่ยากลึกซึ้งแต่นี่ยากเข้าใจได้เล็กมีที่เกิดมนะีที่ทำกรรมมีทีค่คิดมีทคิดเวลาหลงไปคิดอย่ า, างนั้นูเชิงกุศลเรื่องกุศลตรงที่หลงเรี่เป็นแบบกุศล ใจ ค, คิดเนี่ยอาจจะมีคิดเรื่องดีก็ได้ไป ค, คินเรื่องดีก็เกิดภูศนจะเป็นโลจียาภูสนใจภูสนจชนิดที่จะาไปเกิดดีไม่ใช่ลภุตละภูสนใจโลภุตละภูสนีสรรสนจเกิ ด, ดแรกใจก็ไม่หลงนะไม่ถูกปัญหาครอบ น, นี่อย่างพวกเร า, เราจรันจเจริญสติเจริญปัญญานิยามธรรมธรรมนิยามยากที่ปัญหาพาทำได้มันจะพาเราไปสู่โลจียาภูสน ไปด้วยกันเถอะมีทาคนไหนสติปัญญาไม่กล้าแห่งมอพุทธเจ้าก็สอนโมทียาที่สมเด็จพูดดีนะคิดดีนะทําดีนะไปนะถ้าคนไห น, นกินซีแกล่าพทธเจ้าจะสอนมาดูกายดูใจดีจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราแต่ดวงใจเกิดไปขึ้นสุดทุกปีก็เกิดขึนข้นสักรู้สักระเห็น ถ้าไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวจะมีภูมิหล่อถ้าเราต้องดันความเป็นจริอยากจะดันความเป็นจรงอยากปลอบแปลแล้วปฏิบัติจะปลอกแแปลงองอย่างเวลาเราปฏิบัติให้เรามีจิตใจอารมณ์ผู้รู้แตผิถูกรู้อจิตอารมณ์นี้มัคนก็กลอบแยงจิตแล้วเงมนนปฏิบัติจะเริ่มทาจิตเรื่องชื่อก่อนเดี๋ยวชื่อได้ทีเราจะดีทีเด ทำซึมไม่รู้ร้นไม่รู้หนาวบาดี ร, อร้อนนะหรือตั้งใจมากถึงเท้าสู้ตายเอาเป็นเท้าตายความนะใจแบบใช้จิตใจธรรมดานี่นปฏิบัติเาูดูสอนนะึงขนาดไม่จะมิจฉาให้จิตธรรมดานี่มิจฉาให้จิตปฏิปิของมันนะ้อยแค่ไหนไม่แค่ไปเข้าฌานสมาบัติม จิตธรรมดาที่ดีที่สุดจิตธรรมดาที่จิตมีศีลจิตไม่ธรรมดาดที่จิตเพื่อนุ่งตาซับคาไหลไปต่างหาูจมูกวิ้นใจใจที่เมื่อกี้บอกว่าจิตที่ตั้งมั่นอยู่ไม่ไหลไปทั้งตารูจมูกลิ้นใจใจคือปีติสมาธิจิตเป็นธรรมดาจิตที่ไม่ไหลไปเดียวกัศีลสมาธิปัญญารวมรวม ที่นึ่งทำรมาธิทีหนึ่งนะนั่งคิดฟงสร้างบกเจริญปัญญาทีแยกกันเห็เกิมดมแล้วแค่นี้แนหะตรงที่ว่าเกิดจะไม่เกิดแล้วแต่ทรงอยู่ได้ n นาดเดีย o เดี๋ยวหลงใหมลงใหรู้เร็วเรู้ทุกทางที่รู้ได้ตำแนสะสมแท้ลง คะแนนถึงเก้กากระโดดอันนี้สะสมเชิงปริมาณสะสมเชิงปริมาณเต็มที่เก้ากระโดดคือคุณภาพมันฉับตันฉับตันนะวัดเดียวเหมือนตำลานาตามใสไปเรื่อยๆสะสมเชิงปริมาณลาเส้นสุดท้ายตามไปถึงท้ายลานหลั ง, งเปลี่ยนคุณภาพอย่างขับตันเย่างเจริญราลันมีอยาราหลังหัก นันทางเร็วนะแต่ทางมาั้นมันตันดีตัน <c oughs> นี้ก็พยายามรู้พยายามรู้แปลรู้บ่อยๆใหญ่ๆ <c oughs> จริงๆเรารู้ได้อยู่นะ้วแต่เราทับปรอบจิตอีกพวกนึงไม่ต้องจิตก็ปรอบอารมณ์พูดแปลกก็ไม่ดีอย่างบางคนเกิดเดินๆช้าๆย่องย่องย่างย่งยงยงางกินนั่งเดินช้าๆแล้วเป็นิดจิเดพัน เราก็ฝึกสติให้เร็วทันอามไม่ใช่ฝึกอารมณ์ให้ช้าเลยฝึกสติช้าๆมันไม่พันสิ่งเหล่านี้คือให้ดูบ่ายบ่าแท็กติกแาพวฝึกที่าะไม่ได้สอนแต่ว่ามีประโยชน์มันก็มีเหมือนกันไม่ได้หักรู้สภาวะแต่ถ้ารู้สภาวะก็ยังไปแกล้งอยู่ทำรู้ใยไปไม่ไหวใครเขาฝึกว่ารู้ทนาเา ฉะนั้นเราใช้ใจิตใจธรรมดาใช้เครื่องมือธรรมดาที่ตาธรรมดาหูธรรมดาตนะาหูจมูกลิ้นใจใจธรรมดาไม่ต้องใช้ตาชี้หูชี้จมูกชิลิ้นชีกายชี้ใจชี้อะไรไปดูธรรมดาเนี่ยให้รู้ดูอะไรเรื่องลมธรรมดารู้เสียงเสียงลมพัดผ้าธรรมดธรรมดาเนี่มมนดูแลเพิ่ความเข้าใจไป น, น, น, นิดนึงมองให้ให้ตรงมุมที่เรชชาต้องที่าตสอง แต่บ้านก็ตาเห็นรูปเหมือนที่เราเห็นเนะี่ยเขาเห็นแล้วก็คิดว่านุ่คนนิสสาเราเห็นแล้วเราใจเป็นเกี้ให้ที่ตาเห็นจริสีที่คนเนี่ยตามันเห็นสีเท่านั้นเองคำว่าคนนี้คือความคิดของเราเติมเข้าไปต่างๆกุศละนละกุศลเกิดขึ้นในใจแต่บ้างแล้วก็เราโกรธผู้ปฏิบัติเห็นพวกมันโกรธนี่ใช่เราเป็นอะไรอย่างนี้ที่แตลกเรา ใ้วิธีดููใจว่ามันเมื่อดีย์มันกรทบแล้วมันรู้สึกไงมันีอากายงไรดูเป็นส่วนให้ไมี่เปนักบน้เรารับการเน่อยเครียดากงาก็เครียดที่เครยกางาอั้นอจะปสบิ ตลาดในข้างไปที่งานในขา่า่้าทุกคนเปลี่ยนนมจับ่ดทา้คือกเป็นตานุกเรื่องเทีงเทียนรทุกน้อยรรา แต่ข้อมูลอะแนี้ไปเขแก้เพื่อแก้โดยการดูดูหนูเขาใช้ไม่ผ่านทำงานคนไทยไม่อดราบันหลาราสงยเวลาีดูต่างของไก่นีจะใช้ไปได้เรื่อยๆได้ใช้ได้เือยๆแต่ว่าจริเรืองนี้เราเห็นไหมว่าไอ้นี่มันสูบหนูคนรู้มันเป็นอยู่ทุกคนที่อาจารย์เคยสงสัยตั้งนานหลายปี กันบอกให้ดูจิตต้างจะดูตินี้หรือดูลมตนี้ตัวนี้ดูมีอะไรก็ว่างๆมีอะไรดูตัวนี้มีการทำงานอยู่ตลอดเราจะมองที่ไหนไม่ยอมผานด้วยการนะสงสัยเรื่องไม่สนใจ้าไปไหนตั้งแต่ลงโดรนลงเปลงสินมาต้องทุกอ่างท่านใจมันก็ูนะก็ไม่เอมผ่าน ลำบาแล้วก็ให้เข้าใจของเราไม่ได้ปฏิบัติเชื่ออวไรหนะอจมันไม่ได้ธมะที่เป็นภายในกธที่อยากธรมะเอียดําที่เป็นอรมเพื่อรวมาจิตเหมือนแต่ส้างตัวจิตเองวรรมนแต่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะยึดถืออะไหนึ่งแล้วก็ไได้ปฏิบัติเพื่อเอาจิตมาตั้งไว้เพื่อเปดูหน จริงๆมันคอดู่าติดต่อจิตมันีจิตต้แต่แปลกคำูดออาม่ออแล้วก็ตั้งอย่างพนี้เรไม่ดูตรนั้แต่แล้วเลยสงสัยว่าจะไดดูตรงแหนมีสตัวที่แฝงหัวที่ใจเานี่ทงานอะไรอไรนิงเดิน้นเห็นอรบเช่ความสุขควาทุกข์ความีความชั่วอะไรเป็นเรับรู้ทํา้ ต่อมาเไดเห็นเจ้าจิ๋วเน่ยมันชอบแอทงานนเช่นความสุขมาเมันก็แอบยื่นไกัความสุขความทุกข์มาันยื่นตัดแยกรตัดแมเอาอยู่เฉยๆไม่มีอะไรดูก็ส่งออกไปเที่ยวหายไม่จะดูอะไรอีเทื่ยว่้าคว้าสองซ้าองขวาเจออะไรก็ไปจับยิ่งอันนี้เพีเหมเรื่องวัตถุทันอารมณ์ล สุดท้ายเราเรียรของาจิตจิตมีอาการคิดจิตมอาการเรื่องจิตมีอาการนารู้อาการจิตเมอเรารู้อาการจิตเราจะรู้นึกไปอกต่อไปถึมากมากเราจะรู้อาการจิตที่มีเหตนที่เกไม่เด่นเปาเร่อมันจะอภิชาติเราราบสังขจิตก็คือตัวสงสารที่ว่าอภิชาติญาชสา เข้าใจแค่เราแ้่หมดปริยาหมดการดการแต่คำหมดจิตถ้าเราสังเกตจะมีจิตของเราทางานทุกวันเกี่ยวคิดกีเสะอเก่เท่เกี่ยวย่างนั้นอจิตทำงานจิตทำกามแต่พอเรารู้ทันจิตไม่ทำงานจิตมีิริยารู้จิตมีปริยาเห็นจิตมีิริยาคิดทำายังเกี่ยวกับอะนเป็นปริยาก็จะเป็นกร ไม่เซ็กายนโยนนั่ก็มีได้นะนั่นก็มี่นั่สมโฟก็ยี่ผู้ใหญ่กูย่เชียนเชียนะอย่างนี้อินดูเวลาไปชิปไปหาตัวอุตส่าห์มีอากาศมีการระคำยิงก้ยงหนอ่ล้หยุวางลงแต่อหยุดการเสแสร้งหยุริยา ยคืการีปทำกรรมดีมันไปทำกรรมแร้องเรื่องหลักอรักต้องารู้จักกัักาารที่เราไม่รู้ก็เี่ยววานไัูว่าตอยากเน้นการจักสำเร็ตัวรู้จักกันก่จเป็นก t รวารณญาณารตัดรันตัวี่เป็นกฎกาสังขารที่ความเขีนตาราเรา เจตนาปฏิบ an no si ัติเจตนาหรืออนนี glucose, ้ตระกับนี่กเงื่องิทุกก็คือการไปทำกรรมต่างๆนมถ้าเี่ยนแปลเขารู้เขายืนเข้าใจปฏิจาสมุปบาทท่เห็นปฏิจจสมุปบาทได้เห็นแต่เป็นไม่มากจะเห็นปฏิจจสมุปบาทที่เกี่ยวกับกทั้งคิด นังเพ่งไปกับปตสุขบาปไมด้นิ่งๆเฉยๆขี้เกียจทำานขี้เอียังดโยมกันแต่กันแต่เมื่อจากที่นี่นะ ไปดูอาจารย์ไปสอนอเรื่องจิตวาณไปถึงเคียจิตใจนะมันหนีไม่ทำงานได้เรื่อยแรู้ทันเมอร่รู้ไม่ทันการดำเนินจิตแจมั น, น, นไ่รงรู้อารมณ์ที่ต่างกันอารมตอันนี้มีตรมส์โก็รู้์มอรุกข็อรูณจิตใจกุศลก็รู้ จิตมันคุ้มส่ง น, นะครับาทาาีมายเกิดขึ้นก็รู้ไปก็รู้เข้าจิตไปเรือร่อยเๆเป็นแต่สิง่งเอลานี้ผ่านมาแล้วผ่านไปนี้ต่อมาพอสติกัญญาล้าแข่งขึ้ น, นวก็ือเพราะว่าเราไม่ได้รู้เฉยๆหรรู้แล้วเราก็าไปแปลกล้งเฉยกรู้แล้วเข้าไปยินดีบ้างเข้าไปยินทายบ้างจิต ม, มีการทำงานอีกจิตไ ม, ม่ได้ทำหน้าที่รู้อย่างเดียวแต่จิตแอดทำ ง, งาน ความสติปัญญาเราพลาดเห็นเลยโอ้จิตแอบไปทำงานจิตแอบไปดูทางตาแอบไปฟังทางหูแไปคิดทางใจไปทางตาไปทางหูทำ ง, งานอันเดียวไปดูไปฟังก็พอไปทำงานทางใจสารพัดเลยทำงานทางใจไม่ต้องขวานเหลือไปเลยก็ได้คิดอยู่ก็ได้มีอาการคิดอยู่มมีอาการทิ้งขึ้นก็ได้ มีอาการแสวงหาอารมณ์ก็ได้มีอาการดึงอารมณ์นมาการกลับไปได้ีการัตัวเองขึ้นมาก็ได้รู้ว่าจิตออกมาแ้วดึงกลับเข้ามานี่หลักกาของจิตที่มีให้รู้ให้ดึงไปนะพี่จ้าที่มันยากของเราดูไม่เห็นตัวสภาวะเราปฏิบัติเราปึัพโธ เจริกายใจไปหรือทา่าเทาไปที่เราอาศัยลุกๆเกิดเป็นรูปหลักแล้าทำกับพวใจได้ทำไมจะปฏิบัติเราอยากรู้ความจริงของชีวิตนะชีวิตจิตใจอย่างไรอยากรู้ความจริงมันเปยังไงกรู้การนี้มันทำงานยังไงมันัวเราไหมยังงยังไ จิตใจอารมณ์ทั нуть, ้งหลายจิตใจก็เป็นตัวราไส้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกินไส้ครับผ่านมาแล้วก็ไปแกงแฝงไปจะพูดคุยในเข้าดูเข้าดูเข้านะไม่เกี่ยวอะไรกันกาเที่ยงนอก็ไม่เกี่ยวอะไรกันคิดนนปัญญาคุงสร้างต่างอันนี้เยคุ้งสร้างเนียคิดเลอยอยเลยเป็นปัญญาเี่มันคิดได้เหมือนกันแต่มันมีสภาวะ เป็นรูปทํามรองรับเป็นเครื taco, ่องรองรับของปัญญายกตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาปฏิจจสมุปบาทมันคิดว่าอะไรนะมันมีมีอะไรนะถึงจะมีความฟุ้งมันก็รู้สึกเหมืนกับรู้สึกรู้สึกว่ามันมีร่างกายก็ฟุ้งแล้วมัีจิตใจมันก็ฟุ้งแล้วมีการมีใจก็ฟุ้งมีชาติก็มีตัวเราขึ้นมามันก็มีฟุ้งนะไอชาติมีนขึ้นมาจากไหน ก้าวรู้ก้าวตื่งอ๋อมนมาจากความคิดที่ตื่นแต่งจิตนี่เป็นการทำงานจิตใจ้วยอย่างเราฟูนวลเราดูหรือองอะไรตอะไรเราดูเราเติมเลย่ะมันก็จะเป็นตัวปรามิรู้ปรามิตินามปรามิิแต่เราเติความตืแต่จเป็นตัวเราที่ก้าวรู้ก้าตื่นแต่งในการในใจมันก็ใกล้ใกล้เกิดอ๋อรู้ธรรมนามธรรมจริงจริงนช่ตัวเรานะ เราเติมคามคิดลงไปแล้วก็เป็นตัวเราขึ้นมาทำไมต้องคิดอื่นของเราเรียรู้จักความจริงไม่รู้จักความจริงว่าลูกกระทำนั้นต่างไม่ใช่ตัวเราฉะนี้วิจิจะรู้จักความจริงว่าลูกกระทําง้นต่าไม่ใช่ตัวเรา้ต้องแต่งเข็ป็นตัวเราจริงไหมร่างกายที่นั่งอยู่นี่เป็นตัวเราจริงไหมจิตใจเหนี่ยวสูงยข็งสู้เนีเปยนร้ายเห็นหน้าตนนี้ติดโล มินเห็นหน้าคนนี้จิตวาพอใจเห็นแบเรีว้าวมีไม่เป็นเราบังคับไม่ได้ไม่ใชตัวเราของเแตกเราผ่านไปผ่านมอบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานหนปฏิบัติแทนที่จะไปดูความจริงว่ากายใจหรือรูปนาไม่ใช่ตัวเรากับงพยายามเหนือเกินที่จะบังคับให้เป็นตัวเราได้จิตไม่สงบ จะหาทางทำให้มได้จิตมีราคาเป็นทางทางหลักราคาที่ได้จิตมีโทสะอยากดับโทสะไม่ได้จิตมัตดตมดนดีแล้วอยากรักษาความดีเอาไว้ให้ยูกเอาไ้้รันอแล้วตอนปฏิเสธความจริงของธรรมชาติที่ว่าทาน้้องโก่งพัดไม่ได้การที่เราหนหลังให้ความจริงเก็ไม่เห็นธรรมะ มองไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเพร า, จ ะ, จาะฉะนั้นถ้าแก้ความทุ้สร้านเกิดขึ้นในใจถ้าเรามีอยู่นิสโสมนัสิา ก, การแระมองในมุมที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็จะเห็นว่าความฟุ้งซ่านเป็นของ ส, อสุกตู้์ไม่ใช่ตัวเราเป็นนามธทรมเป็นธารมนานถ่านไปถ้าจิเาเาตเมื่อไเกิดอาการเช่นอาการตามต่อฟุกงซ่านแบี้ก็ปุ๊แบบนึงอาการฏิเสธความุ้งซ่านอ า, ากหายฟุง้งซานก็ปุ๊บีแบบ ไม่ม so, so so so so ีขอบกัลป์ขึ้น้อรู้ไปเรื่อยๆเีไม่ให้แตกสายแตกกระจายควรู้แตกแต่ต้องมีรูปเพื่นั้นับมีกายมีใจถึงนื่ององครับอย่าคนอยากเห็นใจรักอยาเห็นใจรักแล้วคิดเอาไม่มีกายไม่มีใจเป็นเครื่องเห็นใจรักไม่ได้เห็นายเราอยากจะดูรอยขัดของผ้า ต่ไม่มีท่าหาลายขาดนี่นไม่จืดฝั 00, นท่าแค่ท่าอยูเราไม่ได้เกลียดตัวหนท่องตัแต่พอเราฝึกปฏิบัติไปเราจะรู้สึกว่าฝหนท่านี่ไม่น่าอะไรเพราะเราเห็นรอยด่างรอยตึงอะไรขึ้นนั่งอาอะไรอยู่คิดหนูจะถามหอนะครับเก็บรู้ จิตมียาการรู้ว่าจิตมีอการคิดมีใช้ได้จิตมีอการคิดไม่รู้คัญเมื่อรู้เรื่องที่จิตคิดยิ่ใช้ไมไ่ไม่เหมือนกันนะเรื่องที่จิตคิดเนี่ยเป็นสมมติบางอย่างเช่นคิดเรื่อง น, นั้นเป็นนี้คิดเรื่องข้า ง, งินบาทคิดอะไรตอนไหนนะแต่อากาศที่จิตคิดเป็นธรรมะการเที จิตจะเพ่ ง, งเพียนเพ่งอินเพ่งน้ำเพง่งอากาศเพ่งอะไรไม่สําคัญสาคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการเพ่งคิดอะไรก็ไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการคิดบางครั้งเลื่อนว่างๆเชื่อ่บานๆอนู่ตรงไหนจะเชืว่ า, า, า, า, า, า, า, า, วารู้ว่าจิตจิตมีอาการหนาไม่ต้องสนใจเรื่องปัญหาอ่ะ มิเงี้ยเราสู Stanford, ่หลอดแนี so ้เนี่ยเราถูกหลอให้หาตรกมุมันนถ้าไม่รู้ทาการจิตนีมรู้สภาวะรู้การกระทําเป็นรที่แท้จริงค่อฉลาดมิเงี้ยเราจะลงจินี้ลไปทํางานก็ตัแต่อก็จะไปยึดอะไรแล้ว่ถ้ารู้ถึงต้นทางของการทํางาน วิชาเป็นปัจจัยของร่างขันที่เจตนาทํางานได้อดีลงใหญ่ทํางานโดยสันต์ความ่รู้เท่ากันเรา็เลยไปช่วยมันทางานด้วยเช่นอยากจะรู้ธรรมะไม่ช่วยมันคิดหน่อยอยากเรีนรู้ธรรมะจะช่วยมันคิดรู้สึกความสงบดีความมุ่งสร้างดีดีนะช่วยมันก็ช่วยมันเรงหรือช่วยมันต่อริ่กรร ไปช่วยไปทำงานหรือ ว, ว่าจิตมนีตกไปทำงานทาอะไรมันคิดป่าวคิดรู้รู้ว่าคิดจบไม่ต้องแ่กคิดเรื่องอะไรต้องสนใจนะรู้ทารติดตั ว, วคิดอะไรสมมติมปัญญาสี่เวลาไม่ใช่แล้วง่ใส่ไหยโง่ใส่รู้เลยจิตมีอาการสง่ใส่ ไดูนเั้งตขาพตั้่างจิตวาปรสามาเะผมปฏิบัติผมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนี่ผมรู้ไม่รู้เขาพูดกับองค์นาวายิสัจนาสตรอองการรู้รู้แต่ไม่รู้อะไรก็ใส่ไม่เติมสมุนไพรสติเร็ว เราอย่างมหาศาลเลยแค่จิตไหวตัววับกิตนั้นทำงานว่าเะไรอย่างนี้มังเกิดจะไปทำอะไรให้ถึงบอกว่าสุกยอาการรู้ธรรมะในขั้นนั้นเลยเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นจิตนั้นดับไปเป็ธรรมดาบอกไม่ถูกเว่าอะไรบอกไดแค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดอตไรก็ดับไป เงี้ยมีก็จะอยู่รวยไปนี่นะจะ เ, เป็น mm. มูมี อ, อาสนะเ่ภาวนาเองนะเพื่ทำอะไรฮ mm. mm. ึมมือหัวทางข้างบจมดกนะดกหัวนะ อ, นะอาการที่สิบแอดไปทำงาน การปฏิบ no e ัติจะเศ้าเรื่อยแต่ทีเราจะไปดูว่าพวกความทุกข์ที่พลาดาดจากสิ่งที่พลาเป็นทุกข์ทำยังไงจะไม่พลาดาดล่ะทำไมได้แก้ตายทาแก้ควรต้อหาต้นทางควรต้องหาต้นตอจิตใจขอราอยูแต่ต้องระวังนะคือคิดเอาไมได้ยึดเพ่งเอาไม่ได้อย่าไปเพ่งจิต เองจิตมันจะว่างไปไม่โยงสนใจอะไรนี่คือเวลาที่จิรู้ึกว่าไม่อบให้จิาเราชิตาที่เท่งนี่ยเขาเท่งจิตอยู่นะแต่ะจิตมันก็คิดตอนที่จิตเท่งนี่ยจิตคิดกคนละจิตเนี่คนละดวงกันคนละขนาดกัน เพราะฉะนั้นจิตเองนของที่เกิดดับเป็นดับอยู่เรื่อยนี่บางคนก็สงสัยบางท่านสงสัยว่าจิตกันใจกันเดียวกันไหมมีวิญญาณเหมือนกันจิตใจวิญญาณหรือจิตมโนวิญญาณมีทั้งสอย่างคามจริงชื่อของจิตนี้มีเป็นสิบสิบอย่างปัตราก็มีอะไรก็มีเยอะมากชื่อของจิตแต่แท้จริงก็คือลักษณะของจิตมีอันเดียว มีธรรมชาติที่รว่าลงธรรมชาติที่รั่ ว, ล ง, รรวลงจะเรียกว่าจิตนีถ้าจิตไมร่วลงรู้ว่ายาลงอะไอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตแต่ถ้าจิตป็กระทบธรรมาลงเรื่องกระทบธรรมาลงนีเรียกว่าใจนี่ถ้าจิตไปรู้ว่าลงในตาหูจมูกลิ้นแกใจขณะ ท, ที่เป็นรับรู้เรียกวิญญาณวิญญาณก็เป็นจิตชนิดหนึ่ง จากดวงวิญญาจิตแล้วดวงวิญญาจิตเราไม่เรียนทุกขนนั้นก็ได้เนะต้อเรียนแบบธรรมเราเรียนโหลวงูเทวก็ได้ถ้าเราจะเรียนแัปฏิบัติท่านก็สอบอกว่าจิตอันใดก็แจนนั้นแหละแต่เพื่อมีการเแต่จิตเ่ยเมื่อรู้อารมเนี่ยชอบหลงอรมณ์หลงยินดียินลายแต่ใจเนี่ยมันฉลาดต่มันรู้่ารงณ์เฉยเฉยเป็นกลางไม่ยินดียิน้าย แค่เนสผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงใจผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงใจถือวามเป็นกลางก็จะคนจะตูกสตะโกวิธีปฏิบัติของเราคือเราต้รู้ทันจิตใจที่มันไม่เป็นกลางเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็สุ่เดี๋ยวมันก็ฟุ้งเดี๋ยวมันหลงไปข้างอเดี๋ยวมันหลงว่าข้างหนเดี๋ยวมันมนี่ยอารมณ์หยาบเดี๋ยวมันเียอารมณ์ละเอียดเราต้องรู้ทัน เดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายเดี๋ยวมันชอบเดี๋ยวนเปลียนเราไปรู้หันตรงที่มัไม่เป็นกลางเราต้องเฝ้ารู้แต่สบายสบายในที่สุดในความไม่เป็นการในกระดาษแต่จิตใจเลยเป็นกลางเรื่องอะไเอาไม่ใช่ไม่ใช่คือจิตมี่งเก็ดคิดได้ต้องมีอารมณ์จิตมีจิตต้องมีอารมณ์มีมณ์ก็ต้องมีจิตและจิตเป็นผู้ดู่า อาราณเป็นสิ่งที่จิตไปรูนี่เพียงแต่ว่าคนทั่วไปเขาเขารู้ว่าอารกับทุกข์ารมด้วยผู้ปฏิบัติเราไปบันึกเห็นอารมณ์คืออะไรก็คือขันท้าเป็การกป็นใจการกระจเนารมณ์จิตไปรู้ว่าเกาทกข์อามณ์ใจรู้วสา่ด้วยใที่สุก็เข้าใจความดีแล้วก็กายใจไม่ใช่อาก็เลื่ิ่งก็สงบขึ้นมา รู้เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายหอไม่เช่แค่เรื่อวันใจภาษาปริยติไม่ได้ไม่ถรัรแต่ก็เรื่อจิตที่ ม, มันมีปัญญาเป็กลางมีปัญญาเรื่องอยานสัมพันธ์เรย่องเรื่อมีชื่อยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงแ่แค่เราสงสัยแล้วเรารู้ว่ากนลังสงสัยอยี่จิตตสิณถ้าเรานั่งอยู่เรารู้ว่าหน้ากายมันน ค่อยๆดูๆไถ้าเราชอบเรื่อง ก, กายส่วนมากทุกอ า, าจา ย, อย์ักาถึงในเรื่อง ก, กายเราก็รู้สึกถึงร่างกายที่มันนั้งอยู่เดี๋ยวมันยืนเดี๋ยวมันเดินเดยวมันนัรู้สึกถึงการนั่งถึงอากาศนั่งการนั้นก็ไปสังเกตเรื่ยอยๆที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรารเป็นต้นขาค่ไยๆแข็งยกร่างตั้งอยูน ตั้อยู่ในช่วงสาแวเด็ยก็ต้องยกไปตั้งยื่นต่อนเี่ยพเราเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวรเราหรอกเป็นต้นธาตุเรื่องเจริญปัญญาจิตใจก็เหมือนใจแต่นนเรรื่องที่เราจิตเราโกรธจิตเรารักจิตเราเป็นบุญเป็นคุณสพบเราฝึกมากๆแลว้วจะพบว้องความโกรดก็ไม่ใช่จิตหรอกเหมือที่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราโกรธ ก, ก็ไม่ใช่ตัวเรา เป็นสิ่งที่แปลกา่านล้วผ่านไปถึงมากๆเราไปกระทั่งจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเราอีกจิตมัเป็นธรรมชาติที่รู้ว่าเราแต่เยวก็ไปรู้ทางตาเดยก็ไปรู้ทหูเดี๋ยวก็มารู้ทางใจนั่งคิดอะไรต่อไปข้าแต่งเก็บข้ารู้เก็บเการณในใจัมากหรือบ่อยๆเรื่องขอการเจริญปัญญา โยทอะไรรู้้คิดไปเรื่อยๆอะไรเนี่อกไางนอกไม่เบื่อไม่ดื่อเราแค่รู้ทางรู้ทางรู้ว่าทาอไปไ รู้ทันว่าไ ป, ปว่วดรู้ทันว่าไปคิดรู้ทันว่าไปสงสัยพอรูทัยยก็เฉยเฉยอยา่าใจร้ายอย่าทาอะไรมากกว่าการรู้การปฏิบัติจะมีสองอย่างคือสมถะและยิปสนา <S 1> <S 1> สมถะเนี่ยจิ ไ, ไม่ดีมาทำทห้ดีจิดไม่สงบมาทำทห่สงบที่ต้องัำแต่ยัปสนาเนี่ย จิตฟ so, you know? so so, ุ้งร้างรู้ว่าสุกงซานจิตสงบรู้ว่สงรู้รู้เฉยเฉรู้ไปเรื่อยเรื่ยี่เฉเห็นว่าความฟุกงซ่านก็่มอความสงบพอดีไม่ใช่ตัวเราหรอเป็นอาการหนงจิตที่แตกตราเป็นตาๆแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นควจิตของเราไปห่กทั้างนอกเราลุ้นทางแล้วกวจิตในขณะที่บวกเนี้ยเป็นอคติสงหลบไปนะ จิตขณะที่รู้ทันแล้วหมดเป็นภูนส่วเรียบร้อยมีสติมีปัญญารู้ทั น, ทนแจิตนีเปคิดทราบเลยจิตหนีไปคิดรู้ทันแล้วนีไคิดรทนจิตของเราเลเรื่อยดังนั้นธรรมะที่เราได้ปรึาธรร่เราสอนใครัรียมว่าธที่เราได้ร้ ไม่นะยังยั ง, ยงไม่ใช่เนอะเราทำสมาธิเพื่อเพเป็นฐานที่จะมาสังเกต จ, จิตใจของเราเช่นเราหทุกโธพุโทโธนะเราพุกโธพุทโธไปแล้วทุกโธก็จะไปสังเกตจิตอย่าอย่าเอาทุกโธแค่ก็ให้สงบ พุทโธต้องสงบเป็นสมาธิเฉยๆเป็นสมถะเฉยๆไม่ตอบกัญญาถ้าอยากพุทโธให้รู้ตอบปัญญาได้ตอบอภิปสนาได้าำไมพุทโธพุทโธไปใจอยู่กับพุทโธจิตอยู่ัพุทโธรู้ว่าจิตอยู่ที่พุทโธพุทโธพุทโธจิตหีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหลีไปคิดแล้วแล้วพุทโธพุทโธจิตสงบรูอว่าสงบพุทโธพุทโธวันนี้พุทโธยังไงก็ฟุ้่าหรู้ว่าจิตูุ่า พุาาทพโเป็นแค่มีระบกตาดวปตามือจิตนี่เองเราพูดโรมตั้งในรอบรอบตารอบจิตขอเราลาเอยู่กับทุกโธก็รู้ราหนีไปทิ่ก็รู้ราที่สงบตาที่ฟุงง้ง่าก็รู้ไปรู้ทันพอเรารู้ทันจิตใจตนเองนั่นเจะเลยปัญญาต่อแต่ถ้าเมไรเราเจอเลยปัญญาไปแล้วเราชับไม่รู้เรื่อง ชาตังค์าติตับเกินแล้วก็กลับมาทุกโธอแต่ถ้าเราอยากเจริญปัญญาแล้วมาทุทโธรูปเดียวเลยก็ไม่เกิดปัญญาต่านเจ้าอาวาสวัดสองท่านเาเอาลายไล่โชว์หรว่าตดเป็นามขัผมเนี่ยหักสมาธิถ้าผมทาสมาธิมากๆก็จะเกิดปัญญาไหมท่านถามผมที่เกิดรือง สมาธิแ้ว ย, ยิ่นะทงทำยิ่ขี้เกียจยิ่งทำแล้วไม่อยากออกไปรู้หออกไปเห็นเลยอยากครอบข้ามปิดต้อนตัวอยู่เดียวในโลกนะนั่นสมาธิมันก็เลยไม่เกิดความฉลาดรอบรู้ในขันห้าในกายในใจแต่นะถ้าเราอยากเป็นปัญญาอยากเข้าใจว่ากายใจเราเป็นยังไงทำงานยังไงเพรไปรู้สึเกเราไปสังเกตเราเช่นร่างกายเนี่ยมันเป็น เที่ยงจริงหรือไม่จริงไปสังเกตเลยนี่มันหาตใจเข้าแล้วมันก็ต้องหายใจออกไมแต่ยใจเข้าอย่างเดียวไม่ได้หายใจเข้าวันละต้องหายใจออกเหมือนทานอาหาไปก็ต้องขับถ่ายออกขับถ่ายอย่างเดียวไม่ทานก็จะตายทานอย่างเดียวไม่ขับถ่ายก็ตายหายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกก็ตายที้ร่างกายมัูงให้กลุ่มที่มีธาตเคลื่อนไหวไหวเข้าไหลออกบังคับเขาไม่ได้ จ, นะจิตใจล่ะจิตใจถ้าเขามาลมที่ดีมีความสุขถ้าเอามาลมไม่ดีก็มีความทุกข์เดี๋ยวจินเป็นกุศลบ้างกุศลบ้างแล้วก็ไปรู้แปลกไปเดี๋ยวรู้ว่าถ้าจิตใจก็บังคับไม่ได้หนุ่มที่ชอบแบบหน้าบึ้งกินเยอะหน้าบึ้น Thank you.